ที่ชื่อว่าตรอกตันได้แก่คนเข้าไปทางใดต้องเดินออกทางนั้นที่ชื่อว่าทางสามแพรงได้แก่พระผู้มีพระภาคกลับหมายถึงทางแยกที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์ิรชานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เยียงสาสามารถยืนร่วมกันสนทนากันได้ โดยความเป็ น, นันเดียวกันคําว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคําว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบัติปาจิตตีคําว่าหรือสนทนากันคือสนทนากันอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบัติปาจิตตีคําว่าหรือพูดกระซิบข้างหูคือบอกเนื้อความใกล้หูชายต้องอบัติปาจิตตีคําว่า หรือส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปคือประสงค์จะประพฤติไม่สมควรจึงส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปต้องอบัดปาจิตตีเมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้นระยะที่จะมองเห็นหรือระยะที่จะได้ยินต้องอบัดทุกกฎเมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้นไปแล้วต้องอบัดปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับชายระยะช่วงแขนต้องอบัดทุกกฎ ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรดบันดอหรือสัตว์ดิรชัชฉานตัวผู้ที่มีร่างคลายมนุษย์ต้องมาถูกกด